ระเบียบความประพฤติขั้นต้นอย่างน้อยที่สุดหรือศีลขั้นพื้นฐานที่จะสร้างสภาพเกื้อกูลที่เกิดขึ้นก็คือหลักที่เรียกว่าศีลห้าซึ่งมีสาระสำคัญได้แก่การไม่ละเมิดต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อของรักของกันและกันและไม่ใช้วาจาละเมิดความจริงเพราะเห็นแก่ตนและมุ่งทาลายผู้อื่นและการไม่ยอมทาลายสติสัมปชัญญะหรือความสานึกผิดชอบชั่วดีของตน ด้วยการตกไปในอำนาจของสิ่งเสพติดซึ่งสติสัมปชัญญะหรือความสำนึกผิดชอบชั่วดีนี้ย่อมเป็นหลักประกันหรือเครื่องคุ้มกันของศีลทั้งหมดส่วนระเบียบความประพฤติที่ซับซ้อนไปกว่านี้ย่อมรวมไปถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ขนบธรรมเนียมและข้อปฏิบัติปลีกย่อยต่างๆที่วางไว้เพื่อความเรียบร้อยดีงามและเพื่อให้เกิดสภาพการดารงชีวิต อันเกื้อกูลแก่การที่จะเข้าถึงจุดมุ่งหมายจำเพาะของชุมชนนั้นสังคมนั้นหรือระบบการนั้นๆศีลจึงมีความเข้มงวดกวดขันเกร่งรัดหยาบประณีตแล้วรายละเอียดต่างๆกันดังมีศีล8ศีลส0ศีลส2 7ีเป็นตัวอย่างเมื่อว่าโดยสรุป ศีลตามความหมายของพระพุทธศาสนามีลักษณะ ส, สำคัญประการที่1ทําทำให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติกิจต่างๆรวมทั้งการพัฒนาตนเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามโดยลำดับจนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตประการที่สองทำให้สมาชิกของสังคม หรือชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันด้วยดีสังคมสงบเรียบร้อยสมาชิกต่างดำรงอยู่ด้วยดีและมุ่งหน้าปฏิบัติกิจของตนของตนโดยสะดวกประการที่สฝึกหัดคัดเกลารตนเองทำให้กิเลสเบาบางลงด้วยการควบคุมยับยั้งสังวรปรับการแสดงออกทางกายวาจา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 แว่าจะมีศีลที่สูงกว่าศีลห้าอีกหลายระดับหลายประเภทแต่ศีลหรือระเบียบความประพฤติทุกอย่างซึ่งเป็นที่ต้องการในการปฏิบัติธรรมดังที่เรียกว่าศีลที่อริยะชื่นชมคืออริยะกันตาศีล น, นั้นก็มีสาระสําคัญอย่างเดียวกันทั้งหมดคือเป็นศีลที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักการไม่เขวไปเพราะตัณหา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 แม้เพียงศีลห้าก็เป็นปฏิปทาของพระโสดาบัน